อนุพุทธนัรรมจันโถมวนที่ส9บเกาปัญญาโดยพระอาจารย์มหามโูสุมโนจเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ถึงการบรรยายประวัติของท่านพระมหาเถรัอันดับที่เจ็สิบเจ คือประวัติของท่านพระเสละเถระพระเถร ะ, ะพระเสละเถระผู้นี้ประวัติเดิมของท่านมีชาติภูมิอยู่ที่ไหนก็คือว่าเกิดหรือเป็นคนอยู่แคว้นไหนเมืองไหนเป็นบุตรของใครก็ไม่ปรากฏในตำนาน ปรากฏแต่ว่าท่านนั้นเป็นพรามก็คือว่าเกิดในวันณะของพรามชื่อว่าเสละพรามเรียนรู้จนจบไตรเพศมีความชำนิชำนาญเป็นอันมากจึงได้เป็นพระคณาจารย์ใหญ่บอกไตรเพศก็คือบอกเวสสามประการแก่บรรดาหมู่สิทธิ์ประมาณสามร้อยคน คือท่านนั้นก็ได้เป็นพระคณอาจารย์มีลู้สิธิ์ที่มาเรียนไตรเพกกับพราหมณ์ผู้นี้ที่ชื่อเสรพราณผู้นี้ถึงสามรอยคนด้วยกันครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์เป็นบริวารได้เสด็จจาริกไปยังอังคุตระอังคุตราปชนบท ซึ่งอังคุตราปะชนบทนี้ก็เป็นแคว้นแคว้นหนึ่งที่เรียกว่าอังคุตรปะปาได้บรรลุถึงอาปณะนิคมสเสด็จประทับอยู่ที่นิคมนั้นเกนิยชนินได้ยินกิติศัพท์ว่าพระสมณะโคโดมสากยบุตรเสด็จออกทรงผนวดจากสากยะตะกูล และก็ได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเสด็จมามีความปรารถนาอยากจะเห็นพระองค์ก็จึงได้เข้าไปเฝ้าขั้นได้ฟังธรรมมีระถาของพระองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสได้ น, นิมนต์พระองค์พร้อมด้วยพระพิสุสงเพื่อทรงสวยในวันลุ่งคลืนในวันลุ่งขึ้นพระองค์ก็รับสั่งว่าดู การดูก็ดูก่อนเกณิยะ <c oughs> ภิกษุสงฆ์ที่เป็นบริวานั้นมีมากถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์และท่านก็เลื่อมใสในลัทธิของพราหม์ด้วยในที่นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็เพื่อจะย้ำให้เกณิยะพราหม์ผู้นี้เกณิยะชลินผู้นี้ให้ทราบถึงจำนวนพระภิกษุ เพราะเหตุว่าเคนิยะฉดินผู้นี้ก็เป็นคนเป็นนักบวชพระอาบนักบวชนอกพุทธศาสนาคือเป็นนักบวชในละัที่หนึ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นฉดินซึ่งนักบวชประเภทนี้ก็ไม่ปลงผมและไม่โกนหนวดทําผมนั่นไว้เป็นเสื้อ่าหรือกล้าวขึ้นไปเป็นทรงสูงที่กลางกำหม่อมเพราะฉะนั้นประเภทนี้ก็ นุ่งห่มผ้าหนังสือจึงเป็นประเภทที่เราเรียกว่าประเภทฉดินเกนิยานี้เป็นนัก บ, บวชนอกศาสนาเป็นฉดินด้วยแล้วก็มาเกิดความเร่วมใสามานิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยพิสุสง์พระองค์ก็เพื่อจะทำศรัทธาเขาให้มั่นคงหรือว่าเพื่อจะดูว่าศรัทธาของเขานั้นของฉดินผู้นี้มั่นคงหรือไม่พระองค์ก็จึงได้ทรงตราย้าว่า บริวารพิสุที่เป็นพระพิสุสงฆ์ที่เป็นบริวารนั้นมีมากถึงหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ในทํานองว่าเธอนั้นหรือว่าเธอนั้นจะเลี้ยงได้ไหวไหมจะเลี้ยงได้ได้หรือไม่แล้วทั้งท่านนั้นทั้งเธอนั้นก็ยังเลื่อมสายในลัติของพระบิด้วยแต่นี่พิสุสงฆ์นั้นเป็นชาวพุทธเกณิยชดินก็อ้อนวอนนิมนต์อย่างนั้นถึงสามครั้ง ก็แสดงถึงว่าตนเองนั้นถึงจะเป็นฉดินเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาก็ยังเลื่อมใสยอย่างแน่นอันอย่างแท้จริงในพุทธศาสนาจึงทูลอ้อนวอนพระพุทธองค์อย่างนั้นถึงสามครั้งคืนนี้มลฉันในวันลุกขึ้นพระองค์นั้นก็ทรงรับโดยอาการนิ่งซึ่งเป็นประเพณีหรือว่าเป็นวัดของพระภิกษุในโบราณกาลหรือว่าในครั้งพุทธกาลนั้น การทรงรับนั้นก็โดยอาการที่นิ่งเมื่อเกนิยชลินทราบว่าพระองค์ทรงรับแล้วจึงถวายบังคมลากลับมาบอกแก่มิสหายและญาติสาโลหิตบรรดาเพื่อนเพื่อนและก็ญาติทั้งหลายของตนเองให้ช่วยกันจัดของถวายพระในวันลุงขึ้นผู้ชนทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ช่วยกันจัดแจงตามสมควร ามมีตามเกิดตามกําลังของตนเองส่วนเกณิยชดิ น, นั้นจัดแจงลงฉันด้วยตนเองสมัยนั้นเสระพราหม์ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของเกณิชดินเกณิญาชดินก็คือว่าเสละพราหมผู้นี้แหละเป็นที่เกณิยชดินนั้นนับถือเป็นอันมากพร้อมด้วยบริวาพร้อมด้วยบริมนุ ผู้เป็นศิษย์ของตนเองสองร้อยคนเที่ยวเดินเล่นเดินเล่นผ่านมาทางอาสมของเกนิยชดินเห็นเกนิยชดินจัดลงฉันอยู่ก็จึงไายถามทราบความว่านิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงมาฉันท่านได้ทราบอย่างนั้นแล้วก็มีความประสงค์อยากจะไขเห็นพระพุทธองค์ด้วยคิดว่าจะสงบนด้วยมหาโพลิศลักษณะจริงหรือไม่ คือเสละอ่าเสละพราหมณีเป็นผู้ที่มีความชํานาญชํานิชนํชนานาญในไตรเพศแล้วก็ได้สั่งสอนวิชาไตรเพศระดีของพราหมณี้แกมมูสิตรวมมาสามร้อยคนแล้วก็เป็นที่เลื่อมใสของเกณิยชดินเข้าใจว่าเกณิยชดินนี้ก่อนที่จะบวชนั้นก็คงจะเป็นศิษย์ศึกษาไตรเพศในสํานักของ เสรระนี่เหมือนกันเสลพรามนี่เหมือนกันแต่เสละบาพรามนี้ไม่ได้ออกบทเหมือนกับเกณิยชนิดดังนั้นเมื่อผ่านมาอย่างอาสมของเกณิยชนิดเห็นเกณิญญาชนิชดนนจัดโงชั้นอยู่ถามได้ความว่านิมนุ์พระเจ้ามาพร้อมด้วยวิสุทสงฆ์ด้วยตนเองก็อยากจะทราบว่าคือตามตำนานนั้นคนที่จะเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นจะต้องประกอบไปด้วยมหาพริศลขณะ สามสิบสองประการคือลักษณะของพระมหาบุตรสามสิบสองประการตนเองก็อยากจะดูซิว่าองค์สมเด็จปัสสมมาสมพุติเจ้าผู้ออกบวชจากสักยะบุตรนี้ประกาศตนเองว่าเป็นศัสดาเอกของโลกอยากจะทราบว่าที่เป็นเอกศัสดาเอกของโลกนั้นน่ะสมบูรณ์ด้วยมหาผลิศลักษณะสามสิสองประการหรือเปล่านี่เสลแพรมนั้นมีความประสงค์เช่นนี้ ก็จึงได้ถามเกนิยชดินอีกว่าพระสมณะโคดมนั้นเสด็จประทับอยู่ที่ไหนเกนิยชดินก็ชี้ทางให้ไปยังอาปณะนะเราอาปณะนิคมเสลพราหมก็จึงได้พาสิทธิ์ไปฝ้อพระบรมศาสดาได้สมนนาปลาัยไปพลางก็ตรวจ ด, ดูมหาผลิตลักษณะไปพลางด้วยเคยป่าก็กล่าวาวาจาปล า, ายัย ในการสนทนากันแบบคู่สนทนาแต่ตาของตัวเองก็ตรวจโดิทั่วล่างหรือว่าทั่วอวัยวะของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์นั้นจะบริบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะทั้งสามสิบสองประการหรือไม่แต่พระเสรพรามณ์พวกนี้ก็สามารถได้มองเห็นหมดถึงสามสิบประการยังไม่เห็นอยู่สองประการ อง์ประการนั้นประการหนึ่งก็คือชิวหาที่เรียกว่าลิ้นลิ้นไม่สามารถจะเห็นได้เพราะ อ, รอยู่ในพระโอษฐ์และอีประการอีก ป, ป, ประการหนึ่งก็คือว่าคุยหฐานคืออวัยวะที่ในที่ลับไม่สามารถที่จะเห็นได้ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรู้วาระจิตของเสนาพราม พระองค์ก็ได้แสดงให้ปรากฏโดยที่พระองค์นั้นก็ทรงแลบลิ้นนั้นให้เสระพรามได้เห็นส่วนพระคุยหาฐานนั้นก็ทรงทำพุทธาพินิหารโดยให้พรามเสระพรามผู้นั้นมองเห็นแต่เพียงองค์เดียวพรามเสระพรามผู้นี้เมื่อได้เห็นมหาปริศลขณะสามสิบสองประการของพระพุทธองค์นี้ สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็จึงได้เปล่งวาจาเนี่ยชมเชยด้วยความเลื่อมใสด้วยความเลื่อมใสยอย่างยิ่งเรียกว่าเชื่อแน่ว่าองค์ทุเดศพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนเพราะเป็นผู้ที่มีอาการสามสิบสองของพระมหาบุรุษนี้ครบบริบูรณ์ก็จึงได้พาบริวารของตอนเองที่ตนเองพาไปครั้งนั้นประมาณสองร้อยทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนา ก็ได้รับการบรรพชาอุสมบทตามตนตามที่ตนเองประสงค์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเวลารุ่งเชา้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็เส ด, ด็จไปในที่นิมนต์ทรงสเสวยเสร็จแล้วก็อนุโมทนาส่วนท่านพระเสละพร้อมด้วยบริษัท์ โดยผู้เป็นบริวารของตอนนั้นก็หลีกจากหมู่เป็นผู้ใหม่ประมาทอุสาวบําเพนเพียนสมณธรรมจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนะก็ได้สาเด็จพระอรหันตผลท่านพระเสล่าพระเสละผู้ น, นี้ก็นับเข้าในจำนวนของพระมหาสาวก ค, คือพระสาวกลูกผู้ใหญ่ลูปหนึ่ง ท่านเสลณีในประวัติของท่านในประวัติในประวัติของท่านเสลณีขอให้นักศึกษาจงสมเนียกให้ให้ชัดอจงสมเนียกให้ชัดคือปร ะ, ระวัติของท่านนี้เกี่ยวข้องด้วยกันบุคคลสองบุคคลเดียวกันคือหนึ่งเกณิยชดินซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าเขารบนับถือในเสลบทเป็ชดิน เกนิยะชะดินผู้นี้ได้ไปเฝ้าพุทธองค์ก่อนได้ฟังพระธรรมเทศนาเกิดเลื่อมใสก็จึงได้ทูลอารัธนาให้พระองค์พร้อมด้วยพิสุงสงสวยพระกาหารในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าตอนเองนั้นไม่ได้บวชในพุทธศาสนาเป็นแต่เพียงเลื่อมใสแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันส่วนเสละผู้นี้ อันเป็นที่เคารพของเกณนิยชดินเดินผ่านไปเข้าคล้ายๆว่าไปเดินผ่านไปอาสมของเกณนิยชดินผู้เป็นสิทธิ์ของตนเองในอดีตคือในการก่อนเมื่อทราบความว่าพระพุทธองค์เสด็จมาก็ต้องการอยากจะทราบว่ามีสมบูรณ์ด้วยมาหาบุธธริศลขณะหรือเปล่าเมื่อไปเห็นเช่นนั้นเขาเกิดความเลื่อมใสเห็นว่าสมบูรณ์ทุกอย่างก็จึงได้ทูลขอบวทในพุทธศาสนา บวชแล้วก็นับก็ได้สมเด็จเป็นพระสารก็นับบอกเป็นพระรเถร ะ, เะผู้ใหญ่องค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเกนิยะไม่ได้บวชแต่พระเสละบวชในพุทธศาสนาท่านพระเสละเถระผู้นี้ก็นับว่าเป็นกําลังใหญ่ในพุทธศาสนาในการประกาศคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปหนึ่งเหมือนกันท่านได้ดำลงชนมายุสังขารอยู่โดยสงควรแค่คารก็ดับขันธปรินิพาน ประวัติของท่านพระเสละเถระนั้นก็มีเพียงแค่นี้ประวัติของพระเถระอันดับต่อไปนั้นก็เป็นอันดับที่เจ็ดสิบแปดได้แก่ประวัติของท่านพระมหาปรันตปะเถระท่านพระมหาปรันตปะเถระผู้นี้ชาติภูมิเดิมของท่านเป็นมาอย่างไรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในสำนักของใครที่ไหน เมื่ อ, อไรเมื่อบวชแล้วได้ทำอะไรบ้างก็ยังไม่ได้พบประวัติของท่านเลยผู้เรียบเรียงประวัตินั้นก็ได้อุตส่าห์พยายามค้นคว้าในประการต่างๆก็ไม่พบเรื่องราวของท่านแม้สักตอนเดียวมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งมีชื่อคล้ายคลึง ก, กันกับท่านคือพระเจ้าปรันตปะผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอุเทนในพระนครโกสมพี ขึ้นมาในอัตกธาถธา ร, รมบทภาคสองเรื่องนางสามาวดีแต่ก็ไม่ปรากฏว่าพระเจ้าปรันตราปะผู้นี้ได้เข้ามาบทในพุทธศาสนามีหลักฐานอยู่เมื่อเวลาพระพุท ธ, อ, ทธองคน์นเสด็จที่วงคดเมื่อพระองค์ที่วงคตคือพระเจ้าปรันตปะปะ้นพระวงคตนั้นจะเข้าใจว่าท่านพระมหาปรันตปะนี้ เป็นโคผู้เดียวกับพระเจ้าพรันตปะนั้นก็ยังไม่สนิทนะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ความกระจ่างในประวัติของท่านเลยว่าท่านมาแต่ไหนเป็นผู้ใดและบทในสมนัติของใครก็ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านได้จัดไว้ว่าเป็นพระมหาเถระคือพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ก็พึงเข้าใจเสียว่าเรื่องของท่านพระมหาปรันตปะนี้ว่าท่านนั้นได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้บำเป็นเพียรบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอเสขบุคคลนับเนื่องในภาษาวรรูปใหญ่ออ์หนึ่งก็แล้วกันโรคประวัติของท่านไม่แจกท่านพระมหาปรันตปะผู้นี้เมื่อดำลง ชนมายุสังขารโดยสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพานนี่ประวัติของท่านพระมหาปรันตปะซึ่งประวัติของท่านนั้นไม่มีหลักฐานที่แจกงแจ้งแต่ก็นับเนื่องในพระมหาสาวกผู้ใหญ่รุ่หนึ่งประวัติของท่านก็มีเพียงแค่นี้ประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับต่อไปก็คืออันดับที่เจ็ดสิบเก้า ก็ในแก่ประวัติของพระนาลภนาละกะเถระท่านพระนาละกะเถระผู้นี้ประวัติเดิมของท่านก็คือเป็นบุตรของน้องสาวอสิตาดาบดหรือกาลเดวินดาบดในกรุมกบิลพัทซึ่งประวัติของท่านเดิมนั่นก็ชื่อนารกกะ ประวัติของท่านที่จะได้บวชในพุทธศาสนานั้นก็มีเรื่องกล่าวตามตำนานว่าเมื่อครั้งพระมหาบุุษคือเจ้าชายสิทธะกุมารที่ประสูติใหม่ๆนั้นการเดเทวินดาบทนี้ก็ได้ไปเยี่ยมคือการเดวินดาบทผู้นี้ในตอนที่เป็นครวาริวิสัยนั้นเคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสีหานุ พระเจ้าสีห า, หานุนี้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสุโธโธทนะต่อมาเมื่อพระเจ้าสีห า, หานุเสด็จที่วงคตไปแล้วพระเจ้าสุโธโธทนะมหาราชาก็ได้ขึ้นครองราชแท่งุงกบิลพัทกาลเดวินปุโรหิตผู้นี้ก็ยังเป็นปุโรหิตตามเดิมแต่ว่าพระเจ้าสุธโธธนะนั้นไม่ให้การ นับถือยำเกลงเท่าไรนะักโปรหิตกาเดวินปุโรหิตรุนนี้ก็เกิดความน้อยใจก็จึงได้ลาออกจากตําแหน่งได้ลาออกจากตําแหน่งแห่งปโปรหิตแล้วก็ได้บวชเป็นดาบวคือถือเพศเป็นนักบวชไปอยู่ยังป่าหิมพานต์จเจริญฌานสมาบัติจนกระทั่งได้สมาบัติแปดประการเมื่อได้ทราบว่าพระเจ้าสุทโธธนะ ได้พระโอรสมีพระโอรสใหม่ๆคือเจ้าชายสิทธกุมานีได้ประสูติใหม่ๆแล้วในฐานะที่เป็นตระกูลที่คุ้นเคยที่ตนเองเคยเป็นโปรหิตัน์ก็จึงได้เข้าไปเยี่ยมได้เข้าไปเยี่ยมและได้เห็นพระลักษณะของพระมหาบุรุษถูกต้องตามตำลาพยากรณ์ของพรามแล้วว่าพระองค์นั้นจะเสด็จออกทรงผนวต แล้วจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาตามตำราพยากรณ์อของพราหมณ์แล้วก็เชื่อได้แน่ว่าพระองค์นั้นจะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกแต่เมื่อมาพิจารณาถึงสังขารของตัวเองแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะมีอายุอยู่ได้จนกระทั่งที่เจ้าชายสิทธะหรือว่าพระมหาบุรุษนี้ ได้ตรัสลูอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดังนั้นตนเองเมื่อออกจากพระราชวังแห่งกรุงกบิลพัทนั้นก็จึงได้ตรงไปอย่างบ้านของน้องสาวตัวเองไปท่านมีน้องสาวตัวแอนน้องสาวอยู่คนหนึ่งก็จึงไปบ้านของน้องสาวตัวเองน้องสาวนั้นก็มีลูกคนหนึ่งที่ว่ามีศักดิ์เป็นหลานชายของท่าน ก็คือชื่อว่านารกกกุมารกาลเท ว, วินดาบทหรือว่าสิตาดาบทนี้ก็จึงได้เรียกนารกกทารกนั้นมาแล้วก็นแนะนำหลานชายของตัวเองว่าพระมหาบุรุษคือพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะนั้นต่อไปจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้านั้นจงออกบท ประพฤติดพศตามลัทธิของพราหมณ์นั้นคอยพระองค์อยู่ก่อนจนกว่าว่าพระองค์นั้นได้ตัดสินอุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจึงค่อยเข้าไปบวชในสำนักของพระองค์นี่แนะนำหลานชายนั้นให้ออกบวชซึ่งในขณะนั้นท่านกล่าวว่าหลานชายนั้นก็อายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเองแต่นารากาผู้หลานชายนั้น เพราะเหตุที่ว่าได้สะสมบารมีมามากเมื่อฟังหลวงลุงพูดเช่นนั้นแล้วก็ทำตามคำแนะนำแล้วตนเองก็ได้ไปเตรียมเอาบาทจีวรมาอธิษฐานเพศบรรพชาโดยหันหน้าไปสู่พระราชวังแห่งกรุงก บ, บิลพัสยายกมือขึ้น กล่าวอธิษฐานเพศว่าโดยการอุทิศเจาะจงต่อบุคคลผู้เป็นอัครบุตรผู้เลิศในโลกคือผู้เป็นสัดาเอกของโลกแล้วก็ถือเพศบรรพชิตนี้ออกไปบำเพ็ญพศ ด, ดังภูเขาหิมพ่านคอยเวลาอยู่จนกระทั่งเมื่อพระมหาบุตรนั้นสเสด็จออกบรรเรรอาพรงผนวดได้ตรัสรู้แล้วนาลกะได้ทราบข่าวขึ้นก็จึงเข้าไปเฝ้า ทูลถามปัญหาเรื่องโมนไนยปฏิบัติก็ก่อนที่นาลกะผู้นี้นาลกะดาบุตผู้นี้ <c oughs> จะได้ไปถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโมนไนยปฏิบัติต่อพระพุทธองค์นั้นก่อนเวลาถึงเจ็ดปีเทภยดาทั้งหลายก็ได้เกิดโกลาหุนขึ้นเปาประกาศให้ประชาชนชาวโลกทั้งหลาย ทั้งสวรรค์และทั้งมนุษย์ทั้งเท ว, วโลกและมนุษย์โลกให้ได้ทราบทั่วกันว่าตั้งแต่ต่อไปนี้อีกเจ็ดปีจะมีบุคคลผู้หนึ่งเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องโมนในยปิปิบัตนะิเกี่ยวกับเรื่องโมนในยปฏิบัติเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะถามนั้นก็ได้แก่ดาลราลกะดาบุตี่เอง ก่อนที่จะถามถึงเจ็ดปีนั้นทำให้เทวดานั้นเกิดการโกราหนโฆษณาให้ประชาชนชาวโลกนั้นได้รู้โดยทั่วกันเมื่อน า, นารากาได้สราบข่าวา ว, ว่าพระอามพระมหาบุรุษนั้นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสมัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จึงได้เปกกราบทูลถามปัญหาเรื่องโมนยนยปฏิบัตินี้ที่เมืองพาราณสี พระองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ให้โดยในเป็นต้นว่าพึงทําจิตให้เสมอในสัตว์และบุคคลทั้งปวงอันนี้เป็นหลักของโมนยยปฏิบัตในหลักโมนยยปฏิบัตินี้ซึ่งนาระกะถามถึงว่าโมนยยปฏิบัตินี้จะพึงปฏิบัติเช่นไรพระองค์ก็ทรงพยากรณ์โดยในเป็นต้นว่าพึงทาจิตให้เสมอในสัตว์และบุคคลทั้งปวง อยา่าโกรธอย่าโทรมนัดขัดแค้นในเมื่อถูกบริาพารคือถูกเขดาด่าถูกถูกเขาด่าว่าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเวลาจบพยากรปัญหาแล้วนาระกะดาบทุูนี้ก็เกิดความเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวิไนคลั่นได รับอุปสมบทแล้วก็ได้ทูลลาพระบรมศาสดาเนี่ยเข้าไปสู่ป่าอุตส่าห์พยายามทำความเพียรในเรื่องของโมนายะปฏิบัติอย่างอุตกติคืออย่างเคร่งครัดไม่ทำความสนิทสนมกับชาวบ้านไม่ติดในบุคคลและถิน่นอไม่ติดในบุคคลและถิ่นที่อยู่เป็นผู้มักน้อยในที่จะฟัง เป็นผู้มักน้อยในยที่จะถามนะคือว่าฟังก็น้อยปฏิบัติมากถามที่จะถ่ายถามก็น้อยปฏิบัติเอาเองจะมากคือดูและมโมนนัะปฏิบัตินี่ก็คือการปฏิบัติของพระมุนีหรือบุคคลที่ปฏิบัติโดยอาการที่นิ่งไม่ค่อยจะถามมากนะและไม่ค่อยจะฟังมากนะแต่ถือการปฏิบัติมาก เรียกว่าปฏิบัติแบบนิ่งๆไม่ช้าไม่นานนักท่านก็ได้สําเร็จพระอารหัตนะได้สําเร็จอรหัราราตผลเมื่องสาเร็จพระอารหัตผลแล้วท่านก็ยังปฏิบัติในโมในยะปฏิบัติเช่นนี้แหละอย่างอุกฤษอย่างอุกฤษและก็เป็นธรรมเนียมอยู่ว่าของบุคคลผู้บําเพ็ญโมในยะปฏิบัติอย่างอุกฤษนี้ จะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นจะมีชีวิตได้เจ็ดเดือนเท่านั้นหลังจากที่ได้บรรลุพระอรหันตผลแล้วแต่ถ้าหาบุคคลใดพิสูรรูปใดนั้นปฏิบัติไม่เคร่งครัดมากนะเป็นเพียงพอเป็นปานกลางจะมีอายุอยู่ได้ถึงเจ็ดปีจะมีอายุอยู่ได้ถึงเจดปี แต่ถ้าปฏิบัติอย่างเพลาแล้วจะมีอายุยืนอยู่ได้ถึง16ปีอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นวัดธรรมดาเป็นธรรมเนียมธรรมดาของบุคคลผู้ปฏิบัติโดยโมเนยะปฏิบัติดังนั้นนารกะเถระภูนีท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครับ เมื่อได้บรรลุอรหัตตาผลแล้วก็จึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงเจ็ดปีเท่านั้นก็ดับขันธปรินิพานและในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั้นจะมีพระสาวกผู้บุญเพนโดยโมนยะปฏิบัตินี้เพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่มีมากมีเพียงองค์เดียวดังนั้นในพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าของเราทุกวันนี้ ก็มีท่านนารกะเถระผู้นี้แหละเป็นผู้ที่บําเพ็ญเพียรโดยโมโนียปฏิบัติเพียงองค์เดียวไม่มีพิสูจนใดที่จะบําเพ็ญโดยอย่างนี้อีกแล้วท่านนั้นก็บําเพ็ญอย่างเคร่งครัอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยู่ได้เพียงเจ็ดปีท่านั้นอาบเจ็ดเดือนท่านั้นจึงปรินิพานท่านนารกะเถระผู้นี้บางตานายกล่าวว่าท่านได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศ ก, กว่าพิสูจ์ทั้งหลาย ในทางโมเนยยะปฏิบัติในทาโมเนยยปฏิบัติแต่ในเอตทัคบาลีไม่ปรากฏว่าท่านได้ได้รับยกย่องเพราะฉะนั้นท่านผู้เรียบเรียงบาลีบู้เรียบประวัตินั้นก็จึงไม่กล้าที่จะกล่าวไว้ไม่กล้าที่จะกล่าวไว้แต่เมื่อคิดตามหลักแล้วน่าจะได้รับยกย่องเอตทัค เพราะเหตุว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นั้นมีภิกษุเพียงองค์เดียวเท่านั้นก็น่าจะได้รับยกย่องว่าเป็ิเอตถะเลิกกว่าวิสุทธ์ทั้งหลายในทางโมนยะปฏิบัตท่านพระนาลากานี้ในขณะปรินิพานนั้นก็ปรินิพานโดยอิริยาบถยืนคือยืนปรินิพานต่อเฉพาะพระภักของสมเด็จพระบรมศาสดา นี่เป็นประวัติของท่านพระนากกเถระก็จบเพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและสาธุชนทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นการบรรยายประวัติของพระมหาเถระ อันดับที่สุดท้ายคือองค์ที่สุดท้ายอันดับที่แปดสิบซึ่งเป็นพระมหาเถระได้รับยกย่องว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ประวัติของท่านนั้นก็เป็นประวัติองค์ที่สาคัญองค์หนึ่งซึ่งพวกเราทร่านทั้งหลายรู้จักกันมากก็ได้แก่ประวัติของท่านพระองคุลิมาลเถระท่านพระองคุลิมาลเถระผู้นี้ ประวัติเดิมของท่านนั้นก็เป็นบุตรพราหมณ์คือเกิดในตระกูลของพราหมณ์แล้วก็บิดาของท่านนั้นก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศลก็คือเป็นอาจารย์คอยสั่งสอนธรรมหรือประเพณีต่างๆของพระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งในเรื่องนี้เป็นหลักธรรมดาว่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนั้นจะต้องมีปุโรหิตตาอาจารย์ คอยได้สั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องลำเบียบแบบแผนต่างๆดังนั้นพ่อของอปุโรหิตตาจาร์ผู้เป็นบิดาของท่านพระองค์คุลิมานในประวัติเดิมนั้นก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประตทธิโกศลเหมือนกันในพระนครสาวัตถีมารดาชื่อว่านางมันตานีพราหมณีบิดานั้นเป็นปุโรหิตมารดาชื่อนางมันตานี เมื่อท่านคลอดจากพันมันดาก็ปรากฏว่าได้บังเกิดเหตุอัศจรรย์อย่างมากคือบรรดาเครื่องสตราอาวุธยุทธพันธ์คือเครื่องสตราอาวุธที่ใชในการลบต่างๆนั้นซึ่งมีอยู่ในเรือนของตนไอในเรือนของบิดาคือของปุโรหิตนั่นก็ดีหรือแม้แต่ว่าเครื่องพระแสงสตราอาวุธของพระเจ้าประเสริที่โกศลในพระราชครังหลวงก็ดี บางเกิดเป็นแสงลุ่งเรืองเปล่อเป็นเปลวไฟลุ่งโลดโชตนาการไปหมดในเกิดความมหัศจรรย์เช่นนี้ฝ่ายวาปรโรหิตาจารผู้เป็นบิดานั้นเมื่อเห็นเหตุเช่นนี้แล้วก็จึงได้ออกจากเลือนของตนเองมาอย่างนอกชานแล้วก็จึงได้แงนหน้าดูบนท้องฟ้าคือดูดาวเลิกสึกโรหิตาจารนี่ ก็เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางดูดาวเหมือนกันก็จึงได้ดูดาวเลิกต่างๆในท้องฟ้าทั้งเลิกบนเลิกล่างก็ปรากฏว่าเลิกนั้นได้ปรากฏในอากาศอย่างประหลาดใจยิ่งนะักด้วยว่าบุตรของตอนนั้นจะเกิดเป็นโจน คือในขณะที่บุตรของตนเกิดนั้นเกิดในเลือกของดาวโจรพระโอชิตาจารย์ก็คิดได้ว่าบุตรของเรานี่ต่อไปจะต้องเป็นโจรอย่างแน่นอนแล้วเป็นโจรไม่ใช่โจรอย่างอาธรรมดาด้วยเป็นโจรหัวโจกที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าโจรหรือที่มีชื่อเสียงไกระชอนไปเจ็ดคูงน้ําด้วยดังนั้นในรุ่งขึ้นในตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเประเษะที่โกศล ก็ได้กราบทูลเนื้อความให้ทรงให้พระเจ้าประเสริฐทีโกศลทรงทราบถึงการที่ว่าในขณะที่ลูกของตนเองนั้นเกิดขึ้นมาสัตว์ราอาวุธทั้งหมดก็ได้เกิดเป็นลุ่งเลืองเป็นเปลวไฟลุ่งโลดโชชนาการขึ้นแล้วตนเองก็ได้กราบทูลถึงเนื้อความที่ตนเองนั้น พยากรณ์เลยคิดว่าในการต่อไปอนาคตนั้นลูกของตัวเองจะเป็นโจรก็จึงได้กราบทูลให้พระเจ้าประเสริฐทีโกศลเนี่ยให้ทรงจับลูกของตัวเองนั้นไปประหารชีวิตเสียเพราะว่าเท่าขืนต่อไปในการขนาเมื่อเป็นโจรแล้วจะเป็นเส้นหนามแก่แผ่นดินแต่พระองค์พระเจ้าประเสริฐที่โกศล น, นั้นทรงหาธทำที่นั้นไม่โดยที่พระองค์นั้นรับสั่งว่า เด็กเกิดมานั้นยังไม่กระทําไม่ได้กระทําความผิดการที่จะนำเด็กไปประหารชีวิตเสียก็จะเป็นจะเป็นเหตุที่ว่าพระองค์นั้นไม่ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมนะก็จึงตรัสว่าจึงตรัสให้รับสั่งให้ปุโรหิตผู้เป็นบิดานั้นบารุงเลี้ยงรักษาเด็กนี้ไว้ให้ดีอันนี้ก็สร้างความ ดีใจให้ปุโรหิตตาจา์นั้นเป็นอันมากที่พระองค์ทรงให้อภัยความจริงนั้นปุโรหิตตาจา์ผู้นี้ไม่ใช่เป็นคนที่ว่าจะเกลียดลูกในไส้ของตัวเองหรือเป็นคนโหดร้ายขนาดที่ว่าทูลพระเจ้าประเสรที่โกศลนี้ให้นำลูกชายของตัวเองซึ่งเกิดใหม่ๆนี้ไปฆ่าเสียอันนี้ก็เพราะเหตุว่าตนเองนั้นเป็นปุโรหิตรับราชกิจอยู่ เมื่อได้เห็นเหตุหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็น อ, อันตรายต่อประเทศชาติและพระราชบัลลังก์นั้นก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องกราบทูลให้ทรงทราบก่อนเพราะเหตุว่าถ้าหากไม่กราบทูลเสียความผิดนั้นจะตกอยู่ที่ตัวเองในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้สมครบร่วมคิดหรือไม่ยอมบอกสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์หรือประเทศชาติ ดังนั้นปุโรยขิตตาจาร์นั้นก็จึงทำไปในฐานะที่เรียกว่าเป็นประชาชนผู้สวามีพักต่อแผ่นดินและราชบัลลังก์ทำไปตามกฎธรรมเนียมไม่ใช่มีจิตใจที่อยากจะให้ประหารลูกชายของตัวเองเสียแต่เมื่อพระเจ้าเปรตที่เปรตที่โกรศนั้นทรงอภัยให้ไม่กระทำเช่นนั้นตนเองก็จึงได้เกิดความยินดีอย่างยิ่ง จึงได้อภิบาลบำรุงรักษาลูกของตัวเองนั้นไว้อย่างดีแล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่ตั้งชื่อให้เป็นกาตั้งชื่อให้ลูกของตนเองนั้นว่าหิงสกุมานโดยเพื่อจะให้ค้านกับดวงที่เกิดเพราะดวงที่เกิดนั้นตนเองพยากร์อาค่าขันแอมพยาได้พยากรไปว่าลูกของตัวเองนี้ต่อไปจะเป็นโจร เที่ยวเบียดเบียนบุคคลอื่นก็จึงได้ชื่อว่าตั้งชื่อให้เป็นการที่เรียกว่าตรงกันข้ามเสียว่าอาหิงสกะ ก, กุมารก็แปลว่ากุมารผู้ไม่เบียดเบียนใครครั้นเมื่ออหิงสกะ ก, กุมาร น, นี้ค่อยจเจริญวัยวัฒนาขึ้นมาแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นว่าพอที่จะส่งควรที่จะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาได้แล้ว มาดาบิดาก็จึงได้ส่งไอหิงสกะกุมานนี่แหละไปยังพระนครตักกศิลาซึ่งพระนครตักกศิกรานี้เป็นนครที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเกี่ยวกับเรื่องวิชาการยากนักซึ่งบุคคลเออซึ่งบุคคลทั่วไปจะไปได้รับการสึกสารได้เพราะในสำนักแห่งตักกะลิศิศิลานี้จะรับบุคคลอยู่สองประเภท คือหนึ่งประเภทที่เป็นพระราชามหากษัตริย์และประเภทที่สองนั้นก็ได้แก่เศรษฐีที่มีทรัพย์จึงจะเข้าสามารถเข้าเรียนในพระนครปักศกิลานี้ได้เป็นสํานักศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วก็มีศิลปะวิทยาที่จะศึกษาได้ทุกแขนงดังนั้น ปุโรหิตตาจาย์ผู้เป็นบิดาพร้อมด้วยนางมันตานีผู้เป็นบรรดานี้ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่ล่ำรวยแล้วก็ในเกิดในวั น, นพระพรามก็จึงได้ส่งลูกของตัวเองไปยังพระนครตักศิลานี้เพื่อที่จะให้เล่าเรียนศึกษาวิทย า, าวิชาและศิลปะศาสตร์ต่างๆเมื่อเจอ้าหิสกา ก, กุมาน ได้ไปถึงพรนครตักกศิลาแล้วก็ได้เข้าไปหาอาจารย์ที่สาปามโมกก็จึงได้ขอศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆอาจารย์ที่สาปามโมกนี้ก็ได้รับไว้ที่สาปามโมกก็คือว่าอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสำนักนี้มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดศิลปะวิทยา ไอหญิงสกา ก, กุมาณีไม่ได้เพียงการศึกษาแต่อย่างเดียวแต่เป็นคนที่มีอัธยาศัยเคารพรักใคร่ในครูบาอาจารย์อุตสากระทําวัดปรนิบัติท่านเป็นอันดีท่านอาจารย์เป็นอันดีและก็มีปัญญาที่เล่าเรียนได้ว่องไวแม้จะเล่าเรียนศินลปศาสตร์วิชาการใดๆก็าตามก็รู้จบสิ้นโดยทุประการและเชี่ยวชาญยิ่งกว่าสาลุสิต อื่นๆทั้งปวกก็จึงเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์ทิสาปาโมกเป็นอันมากเป็นคนที่มีปัญญาดีอัอิงสกุมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่ในการอุปถากภปรนิบัติครูบาอาจารย์ต่างๆตามหน้าที่ของสิทธิด็กจนท่านอาจารย์ทิสาปาโมกนั้นโปรดปรานเป็นอันมาก ฝ่ายมนบ อ, อื่นๆทั้งหลายที่เป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันตนเองนั้นก็เพียงแต่ว่าเรียนอย่างเดียวแต่ถือว่าเสียค่าการเรียนแล้วก็ไม่ได้เคยอุปถักวัฏถางหรือปนิบัติครูบาอาจารย์แล้วก็ยังมีปัญญาที่จะเรียนได้เร็เรวรู้ได้ชำนาญ น, นั้นสู้ไอหิงสกะกุมารไม่ได้ก็จึงบังเกิดกาลิสยาที่อาจารย์ท่สาปามกนั้นโปรดปรานอาหิงสกะกุมาร บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จึงได้ไปชุมปรึกษาหาเหลือกันคิดอุบายที่จะทําลายอ้หิงสกะกุมาใ น, นเสียยไอ้หิงสกะกุมาใ น, นเสียความคิดของบุคคลเช่นนี้รู้สึกว่ายังมีกันอยู่มากที่เกิดความริษยาในเมื่อบุคคลอื่นนั้นเป็นที่โปรดปรานของบุคคลอื่นของครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่มีปัญญาดีกว่าตนเอง ในปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่ายังมีกันอยู่มากเพราะฉะนั้นชาติที่จะไม่เจริญไปก้าวหน้าไปเท่าที่การสมควรก็เพราะเหตุอันนี้คือเกิดจากการลิสิยานี่แหละดังนั้นบรรดาพวกสาวรู้สึกผู้เป็นมนุษย์ทั้งหลายของอาจารย์ที่สามามปาโมกก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นอหญิงสกากูมานผู้นี้เป็นที่โปรดปรานของอาจารย์เพราะเหตุที่ว่าเป็นคนที่มีปัญญาไวเรียนได้ชำแอร์ชำนานชำชอง เป็นที่โปรกของอาจารย์ทั้งหลายก็เกิดความริษยาต้องการจะทำลายเสียก็จึงได้เข้าไปยุยงส่งเสริมอาจารย์ต่างๆนาน า, า, าในครั้งแรกสองครั้งแรกอาจารย์นั้นก็เฉยยังไม่เห็นความผิดของอาหิงเสกอ ก, กุมารก็ยังเฉยอยู่แต่พอหลายครั้งเข้าพอครั้งที่สามอาจารย์ทิสาปัมโมก็ปรงใจเชื่อ อันนี้แหละท่านบอกว่าหูของคนเหล่านี้เมื่อโดนลมปากปบ่อยๆนั้นท่านบอกว่าเหมือนกับเทียนที่ใกล้ไฟอดที่จะอ่อนไม่ได้อดที่จะอ่อนไม่ได้ดไไดเพราะฉะนั้นในคนโบราณ น, นั้นท่านบอกท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าเพื่อกันการหูเบาก็จริงได้ชายของนั้น่วงทั้งที่หูซะบ้าง ของทงที่หูนั่นเราก็กลายมาเป็นตุ้มหูกันบ้างหรือว่าสิ่งที่ประดับหูไปเป็นอุบายอันแยบคายของคนในโบราณเพื่อต้องการไม่ให้คนนั้นหูเบาอาจารย์ที่สาปามโมกนี้ก็เช่นกันในครั้งแรกก็สามารถใช้อุเบขาหรือความขันติอยู่ได้ขั้นที่สองก็ได้แต่พอครั้งที่สามแล้วก็อดที่จะอ่อนไว้ไปตามคำพูดอนยุแย่ของพวกบรรดาสารุสิตทั้งหลายไม่ได้ ก็เลยคิดหาอุบายที่จะกำจัดอิงส ก, กักุมานเสียแต่เมื่อเห็นอุบายแยบขายแล้วได้อุบายแยบขายแล้วคือเสียอาจารย์ทิสาปามโมกนี้เมื่อตอนคิดที่จะกำจัดอิงส ก, กักุมานผู้เป็นศิษย์นี้ท่านจะสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งฆ่าหรือตัวเองจะฆ่าเองเท่าความเรื่องนี้แตกแล้วก็จะเป็นการที่นำชื่อเสียงมาสู่ตนเป็นมากเพราะว่าอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์ ไม่มีอาจารย์คนใดที่คิดจะฆ่าลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์คิดฆ่าอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์อัครันอยู่นั้นพอมีบ้างแต่อาจารย์ที่จะคิดฆ่าลูกศิษย์นั้นน้อยเหลือเกินพันหนึ่งหาอันหนึ่งก็ทั้งยากเพราะฉะนั้นตนเองนั้นเมื่อคิดที่จะฆ่าหรือว่าทำลายเช่นนี้แล้วไอ้การที่จะฆ่าเองหรือว่าใช้ผู้อื่นฆ่าถ้าหากว่าเนื้อความนี้รู้ไปถึงไหนตนเองก็จะถึงแต่ความหายณนะคือเสียชื่อเสียงเป็นอันมาก ดังนั้นก็คิดได้อุบายอันแยบยลคือใช้มือคนอื่นที่จะให้ฆ่าเสีย่ะคือใช้มือของบ้านเมือง น, นั่นเองดังนั้นเมื่อคิดอุบายอย่างแยบยล น, นี้เช่นนี้แล้วก็จึงได้เรียกอิงสกะกุมารมาแล้วก็พูดว่าเน่ดูก่อนอหิงสกะมานกเจ้านั้นจงไปฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมือเอามาให้ได้พันนิ้ว แล้วไปตัดเอานิ้วมือมาให้ได้พันนิ้วเราจะประกอบศิลปะศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าวิษณุมนต์ให้แก่เธอซึ่งวิษณุมนผู้อ่างวิษณุมนตนี้ก็คือว่าเป็นมนของวิษณุเจ้าคือของพระนารายณ์เป็นมน์ที่ครังศักดิ์สิทธิ์มากแต่ว่าการที่จะเรียนวิษณุมนตนี้จะต้องใช้นิ้วมือของคนนะั้นถึงพันนิ้วประกอบในการเรียนถึงจะเป็นมนที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ ในตอนแรกๆนั้นอิยิงเซกากุมารก็ไม่ยอมรับเพราะเกิดความรังเกียจไม่พอใจในการที่ว่าจะฆ่าคนเพราะมา ล, ะลึกถึงตระกูลของตอนเองว่าตระกูลของตอนเองนะั้นเป็นตระกูลพราหมณ์ตระกูลพราหมณ์นี่ถือเรื่องถึงการไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ยังไม่รับประทานคือเป็นพวกที่ถือมังสวิรัตเป็นพราหมณ์ถือว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นดังนั้นอหญิงสกกะกูมานี้ก็ไม่ได้เกิดความพอใจคือเกิดความรังเกียจในการที่จะฆ่าคนอย่างนี้เห็นว่าตระกูลของตัวเองที่เกิดมานั้นไม่ควรที่จะเบียดเบียนสัตว์จะเป็นการผิดประเวณีประเพณีและวงตระกูลของมันดาปิดาเสียก็จึงไม่รับอาจารย์ที่สาปาโมกก็ไม่ว่าอะไรเมื่อไม่ต้องการที่จะได้วิสุนุมนลก็ไม่ว่า แต่ถ้าต้องการจะได้วิสณนุมต์แล้วก็ต้องนำนิ้วมือคนมาถึงพันนิ้วอาจารย์ทิสาปามโไม่ได้เหล็งนัอะลรแต่ว่าอาิงสกะกูมารผู้นี้เป็นคนที่อยากจะมีความสำเร็จในศิลปศาสตร์และก็อยากจะได้เรียนวิสณนุมต์ซึ่งอาจารย์ได้บอกไว้ว่าเป็นมนที่ศักดิ์สิทธิ์มากอยากจะได้เรียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จึงต้องทาใจให้เข้มแข็ง ในการที่อยากจะทำบัพเพราะเหตุที่การอยากจะได้วิชาความรู้คือวิสุนุมนี้ดังนั้นอหิงกักกุมาณี้ก็จึง เ, เริ่มจับอาวุธแล้วก็ราอาจารย์ไปสู่ป่าคอยดักฆ่าคนที่เดินไปเดินมาผ่านป่าในสถานที่นะั้นตอนแรกๆนั้นตนเองก็ทำไปด้วยความจำใจ ทำไปก็คิดว่าตนเองไม่ควรจะทำเพราะฉะนั้นเมื่อฆ่าคนเสร็จแล้วบางครั้งก็ตัดนิ้วมือเอามาบัางบางครั้งก็ไม่ตัดบังตัดออกมาแล้วก็ไปเก็บไว้ที่นมที่นีบางถูกสัตว์นากัดกินไปบางแล้วก็สูญหายไปบังลืมเลือนไปบังไม่ทราบฆ่าคนไปก็ไม่ใช่น้อยแต่ไม่สามารถที่จะเอานิ้วไว้ได้เพราะเหตุที่อันตรายเพราะเหตุที่ว่าตนเองนั้น จิต ใ, ใจยังเลื่อนลอย <c oughs> ในการที่ตนเองมากระทําบาปอย่างนี้อยู่แต่เมื่อมีสติลึกระลึกขึ้นได้ว่าเราจําเป็นจะต้องใช้นิ้วมือเนี่ยถึงพันนิ้วไปประกอบวิชาที่เรียกว่าวิณุมนมนั้น <c oughs> ก็จึงได้เริ่มฆ่าคนใหม่เมื่อฆ่าคนหนึ่งก็ตัดเอานิ้วมือไว้นิ้วหนึ่งแล้วเพื่อกันหายนั้นก็จึงได้ใช้นิ้วนั้นอ่ะร้อยไว้แล้วก็สวมไว้ที่คอ อยู่อย่างนี้จนกระทั่งที่ว่าฆ่าคนได้ถึง999คนก็ได้นิ้วมาถึง1999นิ้วยังขาดอยู่นิ้วเดียวก็ใช้นิ้วมือนั้น999นิ้วล้วล้อยเป็นพวงแล้วก็สวมคอไว้เพื่อกันหายดังนั้นประชาชนทั้งหลายเมื่อได้เห็นเช่นนั้นเขาก็จึงได้เรียกอหิงสกากุมารผู้ไออหิงสกะโจนพุนีว่าองคุอิมานจน แปลว่าโจรผู้มีพวงมาลัยนิ้วมื อ, อครองไว้ที่คอนั้นข่าวคร า, าวที่เรื่องขององคุลิมานคอยดักฆ่าคนนี้ได้ระเบือกระชอนไปจนทั่วคามมณิโคมต่างๆประชาชนนั้นมีความสะดุ้งหวาดเสียวเป็นอันมากก็จึงได้นำความข้อนี้เข้าไปกราบทูลพระเจ้าพระเศที่กุศลเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นทรงกำจัด องค์ุริมาโจรผู้นีเ้เสียพระเจ้าปเปเสนทีิโกศลทรงทราบว่าโจรผู้นี้โหดร้ายเช่นนั้นก็จึงสั่งให้ตระเตรียมลีพลเป็นกองทัพเพื่อจะไปจับองค์ุริมาโจรเลยในที่นี้พระเจ้าปเปเสนทีิโกศล น, นั้นจะจับองค์คุริมาโจรเพียงคนเดียวนั้นต้องยกเป็นกองทัพไปเพราะอะไรเพราะปรากฏตามประวัติ ประวัติของเรื่องราวว่าประชาชนทั้งตั้งร้อยคนพอเห็นองคุริมานท่านั้นเองสั่นกลัวไปหมดเห็นองคุริมานเพียงคนเดียวประชาชนหรือคนตั้งร้อยคนนี้กลัวเห็นและสั่นไปหมดเพราะฉะนั้นพระเจ้าประเสริที่โกศล น, นี้จะจับองคุริมานโจรเพียงองค์คนเดียวนี้ต้องยกเป็นกองทัพไปฝ่ายปุรโรหิตาจารย์ผู้เป็นบิ ด, ดาของตนอของอหิงสกะอุมารหรือว่าองค์ุริมานโจร น, นั้น ได้ทราบข่าวว่ามีโจรที่ดุไล่โหด้ายที่ชื่อองคุริมาโจรและพระเจ้าเปรเษิติโกศนกาลังตระเตรียนที่ไปปราบนั้นก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าองค์ุริมาโจร น, นั้นคงไม่ใช่ใครแน่คงจะต้องเป็นบุตรชายของตัวเองที่ชื่อว่าอาหิงสกะกุมารดังนั้นก็จึงปรึกษากับนางพรามณีคือนางมันตานีนั้นโดยความรักลูกของตัวเองให้นางลพรามณีนั้นรีบแอบไปแต่เช้า อยาให้ผู้หนึ่งผู้ใดรู้ไปบอกเหตุเนื้อความนี้ให้แก่บุตร่วก่อนให้หนีไปเสียนี่ความรักของพ่อนางพรามณีนั้นเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็ด้วยความรักลูกเช่นเดียวกันแอบไปแต่เช้ามืดเพื่อที่จะไปบอกลูกชา้ายตัวเองนั้นให้รู้ตัวว่าภัยจะมีให้หนีไปสู่ไปที่อื่นเสียในเช้ามืดวันนั้นเององค์สุเด็ชพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงเรงพยานตรวจ ด, ดูเหล่าสัตว์ทั้งหลายในตอนเช้ามืดใกล้ลุ่ก็เห็นองคุลิมาโจนนี้เข้าไปในข่ายพยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าถ้าหากว่าพระองค์นี้ไม่เป็นภาระธุระในที่นี้องคุลิมาโจนผู้นี้จะกระทำมาตุคาดคือฆ่ามารดาเสีย เพราะเหตุที่ว่าต้องการจะได้นิ้วมือคือขาดอีกนิ้วเดียวเท่านั้นต้องการจะได้นิ้วมือไปแรแรไปกระทาการศึกษาประกอบการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิษณุมนตลเพราะฉะนั้นจะต้องทำมาตุคาดตนเองอาจจะค่าโดยที่ตนเองจำมารดาไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าจำได้แต่ต้องการวิณุมนตลถึงกับลงทุนค่ามารดาก็อาจจะเป็นได้ ดังนั้นเมื่อรรมาตุคาดแล้วก็จะเป็นผู้ที่เสื่อมจากมรรคผลและนิพพานอย่างแน่นอนเรียกว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตกอเวจีอย่างเดียวดังนั้นพระองค์ก็จึงได้รีบเสด็จไปแต่เช้าตรูก่ก่อนที่มารดาคือนางมันตา น, นีนั้นจะไปถึงเมื่อไปประสบพบองค์งคุริมาลเข้าองค์ุริมาลเห็นพระพุทธองค์ขึ้นมาก็นึกว่าวันนี้เป็นวันที่เลิกดีของเรา นิ้วมือพันนิ้วนั้นจะครบในวันนี้ก็จึงได้ถือดาบออกขับไล่ทันทีแต่ขับไล่ทลายทลายก็ตามไม่สามารถที่จะไล่พระองค์ในทันได้เมื่อไม่สามารถจะไล่ทันก็จึงได้ร้อนตะโกนให้พระองค์หยุดว่าดูก่อนสมณะนะท่านจงหยุดก่อนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์นั้นหยุดแล้วแต่พระองค์ก็ยังดาเนินอยู่ องคุริมาณนั้นก็จึงได้กล่าวหาว่าพระองค์นั้นตรัสมุสาวาโดยกล่าวว่าธรรมดาสมณะนั้นย่อมเป็นผู้ที่ไม่พูดโกหกแล้วเหตุใดสมณะผู้นี้จึงเป็นผู้ที่พูดโกหกไม่อยู่ในศีลธรรมทั้งๆ ท, ที่ว่าพูดหยุดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หยุดยังเดินไปองค์ุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะว่าแต่ถาคตนั้นนะ่ะหยุดแล้วจากการกระทําความชั่ว แต่เธอสิยังไม่หยุดด้วยพระสูรเสียงเพียงเท่านี้เองทำให้องคุลิมาโจนนั้นได้รู้สึกสำนึกตนถึงความชั่วของตนเองก็จึงได้เปลืองสตราอาวุธและองคุลีคืนนิ้วของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นทิ้งเสียในซอกภูเขาแล้วก็เข้าไปกราบที่พระบาทของพระพุทธองค์ทูลขอบรรพชาอุบสมบทติ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยเอหิพิกุอุปสัมปทาแล้วก็ทรงนำพาท่านพระองค์คุลิมาโจนนี้กลับพระเชตวันมหาวิหารกลับพระเชตวันมหาวิหารเมื่อพระเจ้าประเสริโกศลได้ทรงทราบว่าองค์ณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพาองค์คุลิมาโจนนี้กลับพระเชตวันโดยเป็นพระพิสุขแล้ว องค์ก็จึงได้เลิกทับกลับท่านในเวลารุ่นชะรุ่นเช้ า, ชาท่านพระองค์คุณิมานนี้ก็ได้เข้าไปบิณฑบาตในในพนันนครสาวัตถีปรากฏว่าชาวพนักครได้เห็นเขาแล้วจำท่านได้ว่าผู้นี้ก็ได้แก่พิสุโองค์นี้ก็ในอดีตการก็คือเป็นองค์คุณิมานโจรซึ่งเป็นโจรที่โหดร้ายที่สุดนั่นเองเมื่อเห็นแล้วก็ตกใจกลัวพากันหลบหนีโอลมานไปหมด บางคนเข้าบ้านแล้วเข้าก็แพงวังก็ปิดประตูทันทีกลัวด้วยความกลัวท่านบางคนก็กล่าวหาว่าที่ท่านมาในเพศของบรรพชิตนี้ก็ต้องการที่จะทำให้ประชาชนนั้นหลงเชื่อแล้วก็จะประจับประชาชนฆ่าสอีกนี่กลัวไปต่างๆนานานะกลัวไปต่างๆนานานะก็ไปอันว่าพระองค์พระ อ, องค์คุริมานั้นไม่สามารถที่จะบิบัตได้เลยได้อาหารเลย แม่พิสุที่ไปกับท่านก็พลอยอดไปด้วยอยู่มาในวันหนึ่งปรากฏว่ามีหญิงคันแก่ผู้หนึ่งนำอาหารที่จะมาใส่บาตรให้แก่พระพิสุสงฆ์ปรากฏว่าเมื่อองค์ลิมานั้นเดินเข้าไปใกล้จาได้ท่านเองทิ้งขันข้าวแล้วก็วิ่งหนีเพื่อจะรอดลัวแต่ปรากฏว่าศีรษะนั้นลอยเขาไปได้ติดอยู่ที่คลันแก่ของตัวเองคือพุงนั้น ไม่สามารถจะรอดกับเป็นได้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากท่านพระองค์คูณมณิมานเห็นแล้วก็เกิดความสงสารเพราะเป็นคันแก่ด้วยก็ด้วยความตก อ, อกตกใจหนีไปเช่นั้นก็ทําให้เจ็บคันขึ้นมาทันทีทําในทํานองที่เรียกว่าจะแทงครัภ์หรือจะออกลูกขึ้นจะคลอดลูกบทบุตรขึ้นแต่ก็ได้รับความทรมานเจ็บปวดเป็นอันมาก ท่านองคุลิมานท่านเห็นอย่างนี้แล้วก็กลับมายัางวัดกราบถูเรื่องนี้ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะช่วยให้หญิงนั้นน่ะเป็นผู้ที่เรียกว่าปลอดภัยในการที่จะคลอดนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนําให้ท่านพระองคุลิมานี้เรียนคาถาที่จะทำน้ามนต์ให้หญิงนั้นได้รับคนอ่ ท้องแก่นั้นที่จะคลอดลูกนั้นปลอดภัยด้วยพระพุทธมลที่บดว่ายะโตหังพระขินิอลริยายะชาติยาชาโตนาภิอนาชาโตนาภิชานามิสันจิตตปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสธิเตโหตุโสธิคัพพะสะักึ่งซึ่งมีความหมายว่าดูกระน้องหญิง ตั้งแต่ฉันเกิดมาแล้วโดยอริยชาติยังไม่รู้สึกตัวว่าแกร่งฆ่าปรองชีวิตสัตว์เลยด้วยอำนาจสัจวาจานั้นขอความสวัสดีจงมีแก่หล่อนและทันของหล่อนเถิดท่านพระองคุริมานั้นก็จึงได้นำเอามดบดนบทนี้แล้วก็ไปยังเลือนของหญิงผู้นั้นนั่งที่ อ่แท่นอ่านั่งที่แทนขินแห่งหนึ่งแล้วก็จึงได้กล่าวมนบทนี้ปรากฏว่าเมื่อท่านกล่าวมนบทนี้ทําน้ํามนนําน้ํามนนั้นไปลดหญิงนั้นก็ปรากฏว่าหญิงคันแกผู้หญิงผู้นั้นก็จึงได้คลอดด้วยความสวัสดีตั้งแต่นั้นมาก็ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการทําน้ำมนคลอดบุตรท่านกล่าวว่าแม้กระทั่งบางครั้ง บุคคลนั้นต้องแอบเมื่อพันยาเกิดเจ็บท้องที่จะคลอดได้ไปหาท่านแต่ปรากฏว่าท่านไม่อยู่ก็จึงได้นำเอาน้ํานั้นน่มาล้างแทนที่ท่านนั่งแทนหินที่ท่านนั่งกล่าวแก่หญิงท้องแก่คนนั้นแล้วก็นําไปให้พันยาของตนเองดื่มแล้วก็อาบก็ปรากฏว่าคลอดได้อย่างสะดวกสบายและก็แม้แต่กระทั่งสัตว์เดรัจฉานนั้น เมื่อตอนเองจะคลอดลูกก็ขึ้นไปคลอดบนแท่นนั้นก็ปรากฏว่าคลอดมันด้วยความผลดภัยเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของท่านนั้นจึงได้โด่งดังมากดังนั้นด้วยอำนาจแห่งชื่อเสียงอันนี้แหละจึงทำให้ท่านพระองคุลิมานี้สามารถที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนจึงไม่ลาบากด้วยอาการอาหารการขบฉันต่างๆอีกต่อไปท่านพระองคุลิมานเถระผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาท อุตสาบำเพ็ญเพียรสมณธรรมแต่ว่าจิตพุ่งสั่นไม่สามารถเป็นสมาธิได้เพราะว่าฆ่าคนมามากแล้วจึงไม่สําเร็จมาผลพระบรมศาสด า, สดาทรงทราบก็จึงได้เสด็จไปแนะนําว่าไม่ให้ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงจงพิจารณาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเฉพาะหน้าคือปัจจุบันท่านั้นท่านก็ได้ประพฤติตามไม่ช้าก็สําเร็จเป็นพระหรัน ก็นับว่าเป็นภริยาสาวกองค์สาคัญองค์หนึ่งในบาลีประกรณ์อื่นนั้นกล่าวว่าท่านนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นเลิกว่อพิสูจ์ทั้งหลายในทางสามีบริโภคคือบริพกโดยความเป็นนายแต่ในเอตทัคขะบาลีนี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ดังนั้นผู้ที่เรียบเรียงํำนานก็จึงไม่ได้กล่าวไว้ท่านพระองคุริมาเถระนั้น นับว่าเป็นพระมหาสาวกองค์สาคัญองค์หนึ่งท่านดำรงชีวิตมาอยู่โดยการสมควรก็ดับขันธปนิพินา์เรื่องของท่านก็จบเพียงเท่านี้